หลากหลาะอาสารย์โมพกเรานนี้ก็โชคดีนะในความุบนเลีวาเรื่องารทสขะนะการทำสุขะหมอพื้ช้างนี่ยเยอมากคกี่วมากี่องศาตรงนี้ก็จะเป็นความอัขะที่พื้นชาวได้ให้ไว้ ให้ไปทดสอบเขาเรียกวา่าการปฏิบัตินี่ก็เพื่อเพื่พอไปนะถึงความไม่กู้ท่าสอนสิ่งที่ผู้จ้าสอนก็คือทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นพรรทั้งผูที่เจ้าได้ให้เอาไว้ก็คือวิธีการที่จะทํายังไรให้ไม่ทุกข์ซึ่งาาาคาว่าทำก็คือทำปฏิบัติ ม่าเระนั่นคือธรรมะหมายถึงคำสอนนะเพื่อไปทำนะให้มีภูตรงนี้จะเป็นจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เพราะเจ้าไมได้สอนที่จะยาอ่านูณยิ้มาอะไรอย่างอื่นนะเต่าจารสอเรื่องเดียวธเอนะก็ในพุทธกาลก็มีคนถามนะเนี่แบบว่ามีคนถามพุทธเจอว่าพุทธจ้สอนไม่ากทางศีนจะเป็นบัปตนรกเนี่ย พระเป้าวมม่ได้สบนะเจ้าไม่ได้สอบแบบนั้นสอบมาทาให้ใช่ไหมครั้จับาละกาก้าศเจดานี้จะไม่ปุ <green> ๊ช่ไหมครับเนี่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าหยุดอย่างนะาทีเนี่ยต้องอย่างรกับพวกเราปั่นสีมาช่ไหมรัแต่ว่าข้ามข้าสันะีก็ไปตอบว่าเดี๋ยว่าสันว์แล้วจะตกนรกเลยแต่ในอนาค อันั้นอัน น, ออ น, นั้นเป็นคำสอนแบบไม่ใช่เป็นคำสอนของผู้เจ้าโดยตรงผู้เจ้าแนะนำวิธีการบอกลองดูสิถ้าไม่ฆ่าเราก็จะไม่ทุกข์นะสุขหกย่า น, นเลยซึ่งตรงนี้ผู้เจาก็ยืนยันว่าถ้าทำผิดเนี่ยก็ให้ผลในทันทีสุขไักย่งนเลยผลทันทีที่เกิดขึ้นทันทีที่เกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นที่ไห่เกิดขึ้นที่ใจเราสุขไม่หัเนี่ย นั่นคือในมัีโกระษเนีเต้าจะบอกคือสิ่งที่การปฏิบัติของชาวพุทธเนี่ยต้องปฏิบัติที่กาด้วยะเราจะปฏิบัติที่ใจด้วยนะเชิญใอย่างเนี้ยนี่คือสิ่งที่พระเาเนีบอกตลอดเลยนแต่ว่ามัธยีโอกระษเนี่ยก็มากกว่านั้นครับพระจ้าได้บอกว่าหนูเราปฏิบัติที่กาแล้วปฏิบัติที่จแต่ถ้าปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่ใจจะปฏิบัติเป็นไงล่ะเชในนั้นได้ไห ก็คุอาจารย์กลแยกแยะแกะออกในห้านี่ว่าเดือนแรกเราบอกว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมฮะอยากพูดถึงบอกว่าทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์เนี่ยคุอาจารก็บอกว่าเ่อเรารูเวลาว่าทุกข์ใช่ไหมอยู่ตรงไหนกันอะไรเงี้ยใช่มะบางีเราดูว่าทุกข์เระแดดราอทุกข์เพราะตกใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยเยอะ เราะแต่แต่คนบางคนก็สนว่าทุกข์กาไม่มีแหร์ทุกข์ก็มีแหร์ทุกข์ก็มีท่าตรงอะไรต่างๆแต่ว่าตรงนั้นทุกข์จะบอกว่าเราอะเรามาดูวาทุกข์อยู่ที่ทางเราอยู่ที่ใจเราตรหนี้เลยในคือทุกข้างนอก้ม่เชื่นหรอกนะถือเป็นเรื่องที่บางคนขอตัวเคนไม่ชอบแต่ว่าจริงๆทุกข์ตอบนี่คือทุกข์อยู่ที่ทางเราทุกข์อยู่ที่ใจเรา แต่ว่าทุกตรงนี้นะถ้าหลังาเราจะแบว่าพาด้วเองค่ะไม่ไปถึงทุกเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่ล้ว่าทุกตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรแค่เช่นนี้เองนถ่งในถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าทุกเป็นไหนพวกอยู่ตรงไหนแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุนะคงแค่ไม่ถูกเหมือนกันนเช่นนี้นะี่คือทุกเจ้าเอกบอกว่าดูมาทุกอยู่ตรงไหสาเหตุขงทุกเยังไงเช่น กาเหตุของตันไงตรง น, นี้คุณครับก็บอกต่อนะแล้วก็ให้ควาที่มันทุกไม่มีอะเจริญครเราได้เห็นมันเน่ริญคบคือในชีวิตน่ะเราก็อบอกว่าเรามีทุกและ้ที่มีทุ ก, ม, ม, ท ก, ม, ทกมีไหมเจริญครับเหนไดง้เ น, นคือตรงนี้ให้ลองดูเจริญครัเลอว่าทุกเวลาทุกที่ได้มีมีหรือเปล่า น, น้อแล้วว่าที่สำคัญก็คือวิธีกรารที่จะทำให้ ก็เรียกว่าความไม่มีทุกเนี่ยทำยังไงนั่นคือตรงเนี้ยนาเป็นสิ่งดีคุณชาวบ้านเนี่ยทราบว่าเรามองเห็นเนาะเป็นขั้นตอนอย่างนี้เนาะมันก็จะเหมืกับเขาเรียกว่าเป็นอลักสิทารนะเป็นอลักสิทธาเป็นหลักต่อขั้นไปเช่นนีเนี่ยที่เจ้าก็บอกนะบอกว่าพวกเนี่ยอยู่ที่ทางเราอยู่ที่ใจเรา จะมีทุกข์เป็นสองส่วนนะี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการของชาวทุกขเนี่ย <c oughs> ก็ต้องปฏิบัติีใจด้วนะยนะเื่อครับปฏิบัติใจไปนะใช่ไหมแต่ว่าสำคัญที่สุดนะควาเป็นชาวพุกขเนี่ยก็คือเราต้องถือทจก้ากแตถ้าสามารถถือทุกข้ากแตเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือพิพากษานับถือใครนะก็ต้องเหมือนกับทำให้ได้แบบคนนั้น เช่นี้ฮะเอนะ่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงว่าเรานักถือคนนั้ปที่ตัดไะเ่นนี้ฮเแต่ว่าคนที่เรานักถือเนี่ยหยถึงว่ามีอะไรดีสิ่งที่ชาดีๆนั่นคือผู้ชางอยากาำให้ตัวเองให้ถูกแล้วไปยังสอนคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นาว่านี่คือสิ่งที่สาคัญว่าเราเนี่ยถ้าหามว่านักถือเราสิ่งที่เราควรต้องชีพเนาะความเป็นช่พดเนี่ยอย่าง้อาที่สุดเนาะ เราก็ควรต้องดำเนินไปนถึงจุดที่คป็นเจ้าดำเนินเนลยก็ ค, คือความไม่ถูกนั่นก็คือความตัดทิชชอกนะฮะก็คือแบบนี้เนาะคิดเสมอมๆ น, มม น, นะเจอไหม่นะคิดน้อยเลยไม่ใช่ต้องเกิดมาแล้วมันจะขอเป็นหมอขอเป็นวิศวะขอเป็นสถา ป, ะปะัตย์อะไรแบบนไม่ใช่เนะาะเจอไหมฮะถึงนั้นนันเลยนะตรงนั้นก็จะเป็นเพียงแค่ก็เรียกว่าอ่าอ่า ความชิดที่ไม่ที่สุดแต่ถ้าเกิดมาเราขบว่าความคิดของเราออกมาเลยว่าออฉะนั้นเกิดมาทัออีขอไม่ทุกงฉะนั้นอย่างนี้นะเกิดมาทันีขอไม่ทุ่เป็นเด็กแต่ไม่พุ่งได้ไหมเป็นครูแต่ไม่พุ่งได้ไหมเป็นคนแก่แต่ไม่พุ่งได้ไหมเป็นคนป่วยแต่ไม่ทุ่งได้ไหมใช่ะคือถ้าเกิดว่าเรามีความเกิดแบบนี้มาฉะนี้เค่อย่าเป็นความตดินอบ ใช่ไมีตำแหนี่ท like ี says, okay. what what like ่จะ่าเราออกไปพบให้ได้นั่นคือตรงนี้ตรงนี้ก็เกิดว่าเรามีสองส่วนแล้วใช่ฮะเรามีสองส่วนแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมาเห็นไหมฮะพระเจ้าพระแม่ท้าวแล้ว่าเรีนยคนเราแล้วพูดได้สื่อสารากเนี่ยบทดีของพูดเนาะก็มีหลายอย่างใช่ไฮะ คำพูดออกมาก็ามีคำพูดอยู่นานก็มีกพูดนะั้ก็คำพูดนี่ก็มีเยอยะไป้ ม, เ, มเลยใช่ไหมครัเนี่ยเนี่ยมีนายกใช่มัที่เขาบอกว่าแบบเปิดวาทางอมาทีนึงก็เหมือนพิธีโกงเนาะใช่ไหมครับถึงนี้ก็ก้่าเยใช่มอันนี้ก็เป็นคำพูดเนาะใช่ไมครัเนย น้องก็ฟังแล้วเสียวนะโอ้คุณแต่ว่าเคยออกมาพีดเป็นพี่โกออกมาก็จริงๆผมเจ็บนะดูเลยนั่นคือทุกท่าก็ไม่แนะนาแบบนี้เนาะทุกทานบอกว่าวาจาที่ทุคนจะพูดเขียนเนี่ยนะหนึ่งต้องพูดจริง่ะเชื่อได้ไหมนะพูดจริงมันไม่นด้พูดโกกันะชื่อได้งมเนี่ยคือถ้าเราเอาตรงทางพูดทุกท่านนะงทีเคยเห็นคนพูดไม่จริงนะ พอคนพูดไี่จริงเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องชิดเอานคามิดเอาเียก็ลืมไปแล้วมันเคยพูดอะไรไว้เขาพูด้เนแล้วเเช่นันคนพูดเขาเาต้องจำว่าเอ้เมื่อกี้เราพูดแต่แต่เล็อะไรไว้ใช่มฮะคนพูดเิงก็ตกแก้วเพราะฉะนั้นคือถ้าเราพูดแต่เรื่องจริงเราต้องชิดเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงเรื่องที่เราเจอเรื่องที่เราประสบใช่ไหมฮะอย่างนั้น ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แค่นี้เองอนี่ยความคุ้มทัหมดไปแล้ใช่ไหมฮะในการที่พูดจริงหรือว่าอย่างการพูดสอบเสียดเนี่การพูดสอบเสียดอย่างเรานึกถึงอะไรเลาเรียมว่าดาราตลกเนาใช่ไ้มฮดารตลกเนี่ยคำที่หผล่รอกมาทั้งหมดเนี่ยคือคาสอบเสียดหมดเลยแต่แต si ่ไหนคนนั้นคนนี้อะไรนา ใช่ไหมครั่นซึ่งคำแบบนี้เป็นคำที่ในชีวิตของพวกเราท่านนึกดูเราใช้กันเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมับวาทศเสียงนะมาวาถาตรงนี้ครัเป็นโจรทะอลาะกที่สุดนะตร่นี้ครับแค่นี้บางทีนะเราก็โจรที่เขาทาเปิดกันบ้างโจรที่เขาทำในธรรมดาๆเหล่านี้ก้างเราทุกพูกจ่ายใช่ไหมครัเด็กแน่แค่นี้แต่ตรงนี้นับก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สัดเสริมนะ เพื่อจะบอกอย่พูดเลยแบบเพราะว่าพูดอันก็มีแต่ได้องเลือกนะเกิดลำใจออกมานั่นคือว่าเราเราละวัจารู้วิภายนะเป็นควิวาจาที่ออกมจากเราเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์งื่ไม่ทาร้ายคนอื่นและไม่ทำร้ายตัวเองด้วยนะหรือว่าเพื่อนาบอกว่าอย่าพูดหยาดถูกฮะพูดคำหยาเวลาพูดคัหยาเนี่ยเราพวกเรานะก็อ้างใจนะครับเวลาที่คำหยาคูออกไปจากาเราเนี ไม่สบายใจเลยครับใช่ไหมารับน so ี so ่สบายใจนะมั so ่นรัอยางน้นั่นคือตรงนี้ครว่าม่สบาจก็คือทุกใจนั้นคุณช่างจะแนะนสิ่งี่คุณช่าแนะนนะง่ายมากเลยนะเียนแต่ว่าเราไม่เคยตรวจสอบมาที่ใจเราว่าเราใช้ความทุกข้ออกมาล้วเกิดอะไรจยเราเราใช้เรื่องพว้นี้ไปแล้เกิดอะไรกจายเราันั้นคช่าก็สิ่งที่คุณานไม่ใช่ติดสิ่งที่อะไรที่เฉกมากมา แต่สิ่ง้ก็คือผู้่างงานแนะนำว่าเนี่ยลองดูสิคำนี้เราจะไม่ถูกเรื่องใช้ทุกที่หลายไม่ถูที่จ่ายแต่ในฝีมือชางเองเนี่ยนะควรจะบอกนะ่าหนีนน่มเวหาที่เราตามในตำนานนานแเนียจะรื้อขับมาสารวจที่จ่ายนะซึ่งจริงเราคนนว่าไม่สบายใจเนี่ยเชื่อไม่น่าแบบนั้นแต่บางเราดูดูไปเงก็ในเฉาะที่เราไม่มีเรื่อในามีมา เชื่อไหมฮะในจังหวะที่นสบายใจดีมหรือว่าตอนอนในที่เหมันกระทบใจที่มันทาให้นอทุกข์ใจเนี้ยมันก็มีผลการนอนไป็นาะนใช่ฮะนั่นคืออย่างเนี้ยคุณาก็บอกออก่าใช่ไหมสิ่งที่คุณช่าบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจชีิตปะวองเราแรืว่าเวลาที่เราจเกี่ยวห้องของคนตื่นเนี่ยคุณชาก็บอกว่าให้นอนเนี่ย ยืส no. ี่ห้าเนาะใช่ไหมฮะไหนเนาะมีสเนาะอย่าไปข้าสัตว์ชีวิตอย่าใช่ไหมฮะอย่าไปฆ่เขางเ้าเนอยาปเนเรียนรู้อื่นเข้าอย่าไรู้จิตในกาง่ะจิตเนาอย่านต่างนานาแบบที่จเรียกว่าเสสิ่งเพติเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวิธีทางดำเนินชีวิตนะที่พุทํานแนะนำถ้าหาว่าเราไม่ทาอ่านไหไม่่านก่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ทุกแน่ ใะคือตรงนี้ผู้ชาต้องแนะนำแบบเนี้ยแต่ากบางทีเราก็ไม่ออกนะจาไ้เลยนะสมัยก่อนอจะอได้ยังไงนะใช่ฮะเวลาที่เราเด็กๆเนะแล้ก็พูดคำพูดโกหกเนีพูดไม่จริงเนี่ยก็เป็นคาพูดที่เราก็หยิบขึ้นมาพูดเล่นกันในหู่เพื่อนตอบเวลาอนี้ใช่ฮะจนทั้งเราใช้ปประจำจนะทังเราก็ลินไม่ออกว่าเอ๊ะไม่ใช้จะออกยังไงใช่ไหมฮะอะไรอย่าเง้ยนะ และนคือตอนนี้ฮก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าพูดเน่ยพูดอะไรอนาะล้อไม่ทานอยู่ถ้าไม่ทานแล้วลอ้อสำรวจจิตใจจะไม่ถูกมรับหรือมากอย่างสมนุนอมาชีพเราเนาะเรียกว่าการที่เราอ่าเขเรียกว่าคุณิธรเรียกว่าสัมมาอาชีพนะสัมมาอาชีพก็คือ การเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตชอบคนเรานั้นยิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี้ยเราต้องมีการเลี้ยงชีวิตที่แบบว่าบางทีแบบว่าชีวิตนี้ขาดเองเนี่ยคงอยู่ไม่ได้แน่เลยอะเงียเชื่อไหมฮะเนี่ยอะไรต้องได้ยินแบบนี้นะบางคนบอกมาถ้าชีวิตนี้ไม่ได้ยอมผมสีพวกเนี่ยคงอยู่ไม่ได้แน่เลยอะเงี้ยเชื่อไหมฮะอะไรเนี้ยนี่ก็คือเนี้ย ถ้าหากเราเดินเนินชีวิตด้วยมุมมองของการเลียงชีวิตที่ผิดแบบนี้เามันก็จะทำให้ชีวิตเราก็จะเดินไปทามความตั้งใจของเราเนาะแต่ว่าอวามตั้งใจนั้นเนาะมันก็พาทุกพาไปสู่ไปตามวุฒิศาสตราแต่วุฒิศาสอร์เราลองมาเดินชีวิตเดินขอาธรมากแบบช่นนี้หนึ่งเเนาะเอาการปฏิบธรรมเอาธรรมะมาทำเนี่ยเราเป็นหน้าชีวิตนี้ดูไหม ถ้าเราเป็นยนชีวิตแบบที่ดูนเ น, น, บบนี่ยชีวิตมันเจอทุกการุนตราเชื่อไหมฮะถ้าหากาพวกเรา อ, อกนะิตของเราเนี่ยเเ่ชีวิตด้วยทหาาทุกวันนนีะ้เนี่ยเราเชีวิตเนะอต อ, ตอยากนนะเนตื่นขึ้นมาข้อหนึ่าจะมีริยเดียวนะเราจะขอชวนเพื่อนเดี๋ยาไปดูหาอา เยาอ่านหนังสือเดี๋ยวากหน้าเล่นหดือวอยากไปเที่ยวเดี๋ยวอยากไปน่นยอยากไปนี่ใ่คือเรควสัเกตอย่านั้นว่าชีวิตเรามีความอยากมากๆเลยจนกรั่งความอยากทำให้เราก้าาชีวิตเราเก้าไปเรื่องเรื่องควมอยานะซึ่งตรงน้นพอชีวิตเราเก้าไปเร่องห้าเร่ความอยากสิบปีก็แล้วยี่สิบปีไปแล้วสาสิบปีก็แล้วเราจะว่าชีวิตเราเกิดอะไรขึ้น ของพุกโธมากขึ้นติดติดหาในชีิตก็มากขึ้นิดติีแต่เราก็ไม่เคยสังเกตนะว่านี้ยนอันนี้เราก็ถือพูดจะนะจะไหนนะเไปนะถือพูกแล้ชีวิตเราถึงได้ยังมีพกไม่เลิกไม่ลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่คข้าใเราปลอยให้อวาอยาเนี่ยเอาหน้าตลอดเวลาน่นั่คือนี้คือที่บอกว่าเราเอา่องทาหน่งทางไหมถอดได้ไหครับ เราตองมาตน่าได้ยงไงที่เดิมคือปีตากันมาเนี่ยแล้วก็เดินตามแล้วก็มันคุณเจ้าบอกว่าควงมสตินะเราหรือสติเนี่ยเป็นฐานนะที่ใหญ่มากมากเลยพูณเจ้าบอกว่าเป็นแม่ของทั้งหมดถ้าว่าเนาะเราจะกินข้าวด้วยสติเนาใช่ไหมฮเราจะเรียนหนัสือด้วยสติเนาะเราจะอ่านรู้สือด้วยสติเนาะเราจะเกี่ยวข่อเกี่เพื่อนพูดจาด้วยสติเนี่ย ตนีมยความว่าเรามีคานั้นหรเ่าช่ไหันี้มันจะต่างกัความอยกภาพเลยนาะใช่ไหมฮะอยากดีเนี่ยเอาความอยากอำนาเนี่ยเอาสติอหนาแลวจะเกิดอะไรขึ้นใช่หมรจะเห็นภาพพอจมูกว่ามันจะมีความรนแต่างแบบนอกจากความรงวันนั้นมันได้แค่น้เือคือมัจะส่งผลให้ช็อ้ทุกนะเช่ไนี้นั่นคือตรนี้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่เหมือนง่ายๆนะแต่เรามอกไม่เห็นครับถ้าไหนถ้าเรามีนิสัยที่เราเคยชินใช่ไหมฮะน้องก็ไม่เคยกลับมาดูเลยเราไม่เคยกลับมาสารวจใช่ไหมฮะเราไม่เคยรู้ว่าไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปมองข้างนอกบ้านนั้นใช่ไหแบบว่าปิดกระจกทั้งหลังแสนตะพ้อทำให้เราทุกข์เลยอย่างน้นะแบบนี้เราก็มองไปไหนก็องไปแต่เราว่ามองไ ที่ตัวเรามองกลับมาที่กาลเรามองกลับมาที่จเราถ้าเราจะแก้ถูชหมครับนั่คือตรงเนี้ยเพราะ่าบอกอย่างนี้นะว่าทำอะไรถึงจะมีสตินานห้าทำอะไจะไม่ใช่ไครับเองทํานนานหน้าเนี่ยเจ้าบอกเดี่นะบอกว่าตรงนี้เนี้ยนะเราต้องมาแบบมาอ่านใจกันเพราะแต่ว่าชีวิตเนี้ยมีิไม่เนาะ เรียกว่าม <c oughs> no. ีนิสัยเป็นความอยาหันนาใช่ไหมเพราะนั่นคือเราจะทำยังไงถีงจะแก้ไขายแบบนันไ้นั่นคือตรงนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนกันความเปลียนที่ถูกต้องนะเราความเปลียนนะที่เป็นคุณอากาของเราเราอเปลียนเป็นลูกศิษย์หรือว่าเพียรบามเพียรเรานะก็ความเปลียนที่ถูกต้องนะไม่ต้องอะไรเลยนะกลับมารู้สึกตัวอ่งเดียวพอะไร ความิที่ถูกต้องกระทำสืตัวอย่างเดียวพอเลยอย่างนี้นะเปลยนความเปลี่ที่ถู้องแต่แชิ้นไมซึ่ตรงนี่เห็นเนาะว่าเราเจริญสติกันี่ยอย่างที่เร า, นนะ ม, ามีสมาสติช่วยไหฮะการที่เรามีสมาสติเนี่ยกับสิ่งที่ผมเพื่อนสอบเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมาสตินเนี่ยจะเกิดขึ้นเนะาะทำาังไงโดยที่จะองสติมาใช้ให้ถูกต้อง มีขณามีภาวะสมาสติเพื่อต้องมีภาวาวิญชาตกสติน there. There ีะใช่ไหมฮะมีสติใช no. uh, so okay. ้ไม่ถูกก็เป็นวิญามีสติใช้ให้ถูกนี่ใช่ไหมฮะก็จะเป็นเรื่องของสมาสติตองนี้มีสติทราเภทไดมีสติเอาไว้คอยดูนะความเปลี่ยไปของกายเราเอาไว้คอยดูความเปลนไปของใจเราเชเราเกิดมาเนี่ยชีิตเราเกิดมาเรามีกายมีใจเรามีสติ นคนที <N> ่นั่งอยู hmm? also, the х, the like ่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งตาหานมีรอยเกิดมาถ้าเสียสรินะเกิไม่ได้เมืนี่เจอตรงนี้ตกไหมฮะเน้เพราะสตินเสียด้อย่างินั่กลางบินแต่ใจก็ไม่พอมาเจอในห้างเห็นแลเพราะนั่นคือตอนนี้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีเรียบร้อยแล้วรือแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีแล้วเราได้เอามาใช้ทุกทางถูกหมฮะลายอย่างให้ตัวเราเนาะนอกนี้เราไม่พูดชี้ฉันเจอในห้างเน คือมีอนุวกแต่ก็มีแต่ละศาส่าก็มัิไมได้ประโยชน์เท่าไหร่นานั้นเร่ทจริออปะมันมีสติเนี่ยเคยเอาสติมาใช่ไหมเช่อไ้มถ้าเราให้ง่ายนักปีนปีลเนี่ยนึกใช้สติสติครั้งไม่ได้กหาปะเช่อฮะนี่มันไม่ได้ทุก็มาแสดงว่ามันที่ไม่ได้ใช้สติเยี่ยเป็นยังไงนะก็ีชีวิตอย่าหาสติ ก็จะเดชีวิตาสติเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดความเดืดร้อนใจไม่มก็นอยนันก็คือตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีชีวิตนะที่แบเรามีสติมานานาะใช่ตรงนี้เราทำยังไงก็าถึจะเอาได้ยังไงนะสติมีอยู่แล้วนะใช่ไหมฮะมีวิธีการใช้สติและนิสัยที่จะใช้สติอย่างเป็นประจําเนี่ยนั่นคือตรงนี้คําว่าเจริสติคืออย่างนั AH 是是้นเนาะ คำว่าเจริสติก็คือใช้สติแบบ่อยใช้สติแบบวันคำว่าปฏิบัติธรรมเนาะในที่ก็หมายควาว่าเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรครริมต้นก็คือประมาณเจริญสติกับหาเจริญสติกหาใช้สติหบบวันหาใช้แล้เกิดอะไรขึ้นกอเกิดทำให้ชีวิตมัดีขึ้นหรือว่าไม่ก็เราก็เรียกว่าพอ จะเป็นการเอางานก็หมายว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทาให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าชีวิตเราก็จะถูกจัดบวกของปัญญากลายเป็นสติธารมะชีิตนั่นคือตังญี้ว่าในการปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อเทียนเนี่จะแนะนําง่ายที่สุดเลยนะเรื่องแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อเพเขียนก็ดีร่วยัะแต่คนที่เรียนหนัสือไม่มาก เมื่อเห็นรู้สือได้มากเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ค่อยเข้าเนาะอาจจะเขียนหนังสือไม่ได้เพราะนั่นวาจาที่ออกมาจะเป็นวาจาที่ไม่มากนักเนาะแต่ว่าเคยกว่ากาแต่ความสรัทธาพูดน้อยแต่ได้งแต่ความสัทธไม่มีโมหะอะไรมากมายนันั่นคือสิ่งที่เราก็เขียนสอนนะก็คือเรื่องของความรู้สึกตัวนะแล้วก็เราเขียนสอนก็คือเรื่องของความรู้สึกตัว เขาพูตัวตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อที่็ดีตมักจะเขียนกระสัระส่ิบอกว่าจริงๆสติเนี่ยก็เป็นคำบัญญัติเนาะควารู้สึกตัวก็เป็นคำทายจริงจรทั้งองคเนี่ยก็เป็นคำเดียวกันที่แนะรู้สึกตัวได้ยังไงใช่ไหมจะรู้สึกตัวแต่อะางเนาะหลวงพ่อก็บอกว่า เาเเอาสติมาใช้กับกายกับใจเราสาอย่างตรงนี้ไม่ต้องสติไปใช้กับอะไรข้างนอกนะไม่ต้องไปใช้กับต้นไม้กับเรื่องอื่นก็ต้องเอามาตุ่สติครับโดยเราเนี่ยเอาเครื่องมือสาอย่างเอาสติเอากายเอาใจเนี่ยมาใช้ทำงานรุ่งครับเนาะมีครับพูดง่ายๆว่าเมื่อไหรอะไรเมื่อไหร่ทาอะไรให้ใจเราด้วยตรงนีพวกเราก็จะได้คิดถึงเราว่าชีวิตของพวกเราเนี่ย เวลาที่ยวกราวเินชีพีอยู่ทุกมานี่บางทีงานที่กายทำอะไรเนี่ยเราก็จะพบว่าใจไม่ได้ทับเพื่อนนใช่ไมเหมือนจะรนะว่ามากพ่อแม่ใช้กวาามาใช้กวาบ้ายางเ้อดอกได้เลยวเวลากวาบานไม่เคยได้เลือกเนมามจกกวาดตามารแต่นี่ิสมมว่าเมื่อหจเสร็จจะได้ไปด้เพื่อนใช่มนนี่คือการใ้วามเป็นธใจใช้วามเป็นธรรตลอดเวลาใช้ทักษะ ใช่ไะแ้นก็อ้อมมาใช้เราก็ไปไม่ใช่ก็อื่นอะไรต่างๆนาการก็ทาเป็นทางหนใจก็ทำเป็นทานึ่นั้นถึงตรงนี้่ามันเป็นเรื่องที่ขอขับสอนที่บอกว่าดูนะถ้ากาามาอะไรใจทาด้วยเราก็ต้องอกทันทีนะถ้ากายทาด้วยใจทำด้วยมันจะเป็นเรื่องที่พอหแขึ้นมาคีตสงนี้ฮะมเป็นเรื่องที่เราทำอย่างเงี้ยเนาะ การเจอสตินะครับก็เหมือนกับการเรียนรู้งสือนะครับก็ต้องมีส่วนเนาะที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าใช้สติได้ง่ายขึ้นบอกขึ้นนั่นคือปมื่อยนก็เรียกว่าออกแบบนะแบบคือหาในการใช้สติเนี่ยนะออกมาขึ้นีว่าเป็นการสร้างจังหวะแล้วก็เทียนเนี่ก็ใช้การเคลื่อนไหวของร่ากายเป็นเครื่องมือในการเจอสติเนาะ <Jub ilee> พวกเราอาจจะได้เห็นเนาะบางทีเราก็อาศัยทารน้างแบบการนิ่งๆเป็นการเจิญ็มีเรากอาจจะได้เห็นแบบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอาความเคลื่อนไหวมันเจริญเสด็จบการนั่งนิ่งๆแบบการเจริสเนี่ยพวกเราคิดอยู่ว่าเราจะมีโอกาสไายมากกากันนเราอาจจะมีโอกาสนางเราทนทีนึงก็ไา้ักแต่ันก็ธรรมาแต่ถ้าเกิดเป็นความเคลื่อนไหเนี่ย หลวงพ่อเทียนบอกว่าตั้งแต่ลืชาติตืาจทั่งตนนอนแม้ทั้งกิดขึ้นเนี่ยเกิดปีศาจเกิดมารปีศาจติดตัวติดอาเเลยนั้นหรือถ้าเกิดว่าเราอาศัยความขึ้นมาเนี่ยเราจะมีโอกาสทั้งหลายเลยซึงนะเราก็องปฏิญาณนาทีหนึ่งเนี่ยเราคนพปฏิญาณสี่สิคนเนี่ยจะได้นาทีหนึ่งเราประมาณสี่สิบคนเหายใจดีกว่าจึงนะ ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวสามารถดยิมาใช้ใช้เป็นเครื่องมือในการจดจำสถิได้หมดเลยแต่ตัวนี้น้ำหนักที่เราไม่มีสถินะเราก็ไม่สามารถที่จะหยิบความเรื่องราวพวกนี้ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนีมาใช้เป็นเครื่องมือได้นั้นก็คือต้องหามีวากการหาเนี่ยหรื่าเรียกว่าออกแบบนะเรียกว่าออกแบบวิธีการจดจำสถิเรียกว่าการเครื่องไหวสิ่งสิ่งเช่นั้น อาศัยการเคลื it, aries, shade, home, Dude, harmonic, ่อไหที่สร้างขึ้นมาในหนึ่งชุเนี่ยสิบสี่ครั้งเนี่ยมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดเนี่ยน่าก็หนุมพ่อก็กลับถามบอกว่าเมื่อการเคลื่อนไหเนี่ยให้จัเนี่ยมาคอรับรู้นเมื่อการเคลื่อนไหวคือการแนั้นคือปัหาว่ามีการมีการเลื่อนไหมีการยกมือขึ้นเพื่อให้จับเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะ คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ ว, ว่าการกรจายเนี่ยมนทางานยั้ไงมนสติคอยสังเกตนะออสติคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของการอ๋อสติคอยจะเหนว่าตอนนี้เนี่ยใจเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนมหวของการนั้นหรือว่าใจ เ, เ, น, เ, เนี่ยผลไปคิดเป็นใช่ไหมนั่นก็คือตรงนี้น ะ, นะว่าสิ่งที่สองเนี่ยก็คือการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสติและการจับสามาร ที่มีพร้อมู่ของตัวเราตลอดเวลาและไม่หายไปไหนั่นก็คือตรงนี้แต่ว่าภายใ่นี้ใส่ที่จะชันนั้นก็คือตรงนี้เราต้องหาเนาะทขึ้นหมายสิบสี่ชั้นนะฮะถ้าพวกเราทกไปเนาะเผิดว่าเดี๋ยวแม่จางม้งเจะแนแนอ่านมาบอกนะหนึ่งชุดสิบสี่ท่านะก็จะเสร็จไปเวลาสักแบบว่าไม่ถึงขึ้นาทีไม่ถึงคึนาทีเรามีโอกาสจะเปนสติงสิบสี่ครั้งเนี่จะได้รับไหม นั่นคือตรงนี้เรามาเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหะแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอลืมไปนะเผลอหลงไปเกิดคิดไปหะเป็นอะไรนะไม่เป็นไรเพราะว่าสติก็ได้ทำงานแล้วสติจะมาคอยรู้นะละอ้อนนี่เนาะมีการที่เคืองหมายใจอยู่ตรงนี้หรือสติก็คอยรู้อีกนะละอ้องตอนนี้ใจรนี่อยไปเรื่อยมา ไม่ว่าใจจะรู้รู้ว่าการทำอะไรใจทําด้วยตรงนี้ก็ได้คะแนแล้วนะหรือว่าสติรู้ว่าใจรอนสติก็ทำงานแล้ก็ได้ขะแนนอีกแล้วเพราะะฉนั้นคือตรงเนี้หลวงพ่อคำเสยนจะบอกนะบอกว่าการปฏิบัติทรรไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแนนไม่ใช่ว่าดีใจหรือเสียใจ้็ดีใจมารูนะ เรเสียใจว่าใจลอยนะไม่ใช่นะะแต่นั่นคือไม่ว่าจะรู้ใจจะอยู่กับการก็ดีหรือใจรอยไปก็ดีตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอาไปให้สติรู้เมื่อสติรู้ก็สติประานั้นนอนเลยนั่นคือตรงนี้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านี่คือเรื่องของการเรียกว่าการเจริญสติในรุ่งต้นแต่ว่าการเจริญสติในรุ่งต้นเนี่ยน้องอ้อมเฉลี่ว่าท่านนี้เป็นท่าเลือกต้อนช่างต่างและที่สุด นี่คือการที่บอว่าเมื่อน้อการเคลื่อนหมานจาตใจเราคอยรัรู้นะใช่ไหมเมื่อการเคลื่อนหมานจิตใจเราคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยเนาะจะมีเนาะก็เรียกว่ามีการคอยดูเนาะคอยดูการที่เคลื่อนไหมานคอามตใจที่คิดเลื่อนไปด้วยคำว่าดูตรงเนี้เนาะเพื่อจะเป็นสิ่งที่เราเอแล้วก็คอยดูแล้วก็ได้ใช้อ่านเพื่อที่ดูแต่ก็เรียกว่าเราใช้อาเสติอยู สติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอ่านอีกอันที่เห็นมาความเป็นไปของกายและเห็นความเป็นไปของฉันสติเนี่ยไม่ได้มีอ้อยแบบว่าเอาไว้ดูต้นไม้ต้นไร้นะอ่านนี้มีเอาไว้ดูแล้วนะพระพิพัฒจารแต่ว่าสติเนี่ยเอาไว้เป็นเครื่องมือในทางดูข้าดูตัวเราดูกับมาที่ตัวเราถ้าเราไม่จอบก็ตกเราก็ไม่เห็นตัวเราแล้วนั่นสติเอง เห็นกายแลวที่สาคัญคือเห็นมากกว่านั้นเห็นกายในกายในการเรามีอะไรเราไม่เห็นเพียงแค่ภาพไอทองนะแต่ยังมีปวด้อที่ปวดหัวเช่นใ้ามไหเนี่ยเห็นเรื่องหที่เกิดขึ้นในกายเราถ้าเราเดียวกันที่บมกว่าในขณะที่เมื่อการเครื่องมาเนี่ยใหมครับก็จะเห็นมากนี่ใจเราก็เผยไปดูความชิความเรื่องหนึ่เนี่ยเช่นใ้ามนี่ยนัือสติได้เห็นใจอีกใช่ไหมครับ เด่นจังในขณะที่เราเริ่ต้นที่การเริ่มใหม่ของการยังไม่ได้ตั้งใจอะ้รใจก็มาได้เลยแล้ว็นทันทีบางทีบางคนปฏิบัติธรรมก็บอกว่าที่ใจอยู่ตรงนเชื่อไหือว่าหเนอ้ยสติอยู่ตรงไหนครับใจอยู่ตรงไหนครับเราจะดูยังไงครับแต่ว่าตรงนี้พอเราเริ่มต้นตามธรรมนะครับใจก็เห็นได้ง่ายสติก็ใช้ได้เลยนั้นก็คือตรงนี้ว่าแต่ว่า ใจในใจเราเป็นแบบไหคกันใช่ไหมฮะเนี่ยใจในใจเป็นแบไหใจเราไม่ได้อยู่เฉยๆเนาะเป็นใจเราก็เบิกปาเดี๋ยใจเราก็หงอยเมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในใจเราเกิดความเบิกปาบาความศกเศร้ามากใช่ไ้ยความโกรธมากความเบื่อมากสิ่งอ่าน่าเนี้มันเกิดขึ้นในใจนั่นคือสติเนี่เอาไห้เห็นใจที่อยู่ในใจเรา จนใจเราปกติก็เป็นปกตินะแต่ว่าเมื่อมีความโกรธผ่านมามีความเบื่อผ่านมาความโมโหผ่านมาความไม่ผ่านมาเกิดมาสติก็จะผานเห็งชื่อไหมฮนั้นก็คือตรงเนี้ยที่คือเครื่อมือราที่เรียกว่าสติเขาก็เหตนการณ์ในตาเราไม่เห็นใจในใจแล้วก็ตรงนี้ยจะเห็นผ่านเนาะก็เรีกว่าผ่านการปฏิบัติธรรมใช่ไหมเชื่อฮะผ่านการปิติรรมมาบอกว่าเชื่อไหมฮะเราเนาะ ในการที่เคลื่อนไหวเนี่ยใจเราคอรับดูนะใช่ไหมครับคาสติคอยดูนะคอยดูการที่เคลื่อนไหวความสติคอยดูใจที่คิดด้วนะตรนี้นั่นคือพอเราดูไปบ่อยะเ๋ยวเราก็เห็นนะเอ้ยเราเริ่มท้าไปอยู่กั้องไใช่ไหมครับอย่างเนี้ยเนาะเมื่อถือเรื่องของงินเมื่อเรื่องของกายเนาะทไปอีกเดียวเดีแล้วก็เื่อชไหมครับเดยี้เบื่อไปเรื่องของอะไร เรื่องของใหัอย่างนี้เราก็จะเห็นเนาะเดี๋ยวรับความรักใช่ไ้มครับเข้าื่อเดี๋ยวเข้ามีความรู้สึกสงสัยอย่างนีเข้าใจมรื่องที่ปวดเลยอยู่ๆทำไมมันเปลี่ยนายปความสงสัยแล้วใช่คบ่านเส้นตรงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดการที่เราเลิกทำพุ่เนาอาการแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีแค่โน้นนี้เอง อาการเบนื่อที่หายไปอาการสงสัยผ่านมาเดี๋ยวอาการสงสัยหายไปการอยู่ผิ่ทามาเนี่ยอาว่าอาการที่เจนาะครบดูลหายไมหายใช่มคอาการสงสัยหายไมหาหายไป้พรมีตัวต่อเราผ่านเราผ่าไปใช่เรา้เชิญมาก็อามาก็มาก็อยากไปกไปจะได้กกกลับึ้นมาที่ความสงสัยกลับมาที่นึมันอยู่กลับมาที่สมาธิทได้ทำไม่ได้ ใช่ไหมครับตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นผ่านการปฏิบัติธรรมอันนี้คือธรรมะที่พระมาปจจุให้เห็นธรรมะพวกนี้พระพุทธเจเรียกรวมว่าเป็นไฟนะเป็นความเป็นึ้งเป็นความไม่เที่ยงเป็นความไม่มีตัวตนแบบนี้นะนั่นคือ คนเรื่องนี่ยเริ่มปฏิบัติธรรมพวกสิ่งต่างๆที่เป็นเจ้าสอบเาไว้ธรรมะที่รป็เจ้าบอกเาไว้เนี่ยจะมาปรากฏให้ออาเป็นหลักฐานเป็นหลักฐเป็นหลักฐานผู้ชายจะอาาที่สูจนนะบอกว่าเชื่อไหมว่าการนี้ไม่ใช่ของเราเชื่อไหมนที่บอกว่าลูกเราของเราตัวของเราอยู่ตรงเนี้ยผู้ชายบองเ่าไม่ใช่ของอราใที่จันเนเราว่าจัยของเรา เราไม่คงใจดีเชื่อญาณเรามีใจดีใจนามในศารนาพุทธบอกใจนี้เขาไม่ใช่อมอเรานั่นคือตรงเนี้ยพุทธบอกเอาไว้เราต้องถือพระพุทธเจ้านใจเย็นๆใช่ไหมฮะเราบอกพิสูจนิสูจผ่านปฏิบัติธรรนะนะแล้วถตรงเนี้ยําว่าสิ่งที่ระาอกเนี้ยเป็นหลักปรัชญ์มากมีองค์ะบนี้ยฉยๆขึ้นมาเป็นหลักเป็นหลัก ขั้นสุดเนาะบางทีเนาะทำานกุญจตัวหนึงสติของสมาธิจะไม่ห่างกันนะอารับนั่นคือตรงเนี้ยว่าเรามีสมาธิเนี่ยกับการใช้สติเนาะพอดูความเป็ี่ยนไปของกายพอดูความเป็นไปของใจไม่ต้องมีสมาธกับการอ่านหนังสือไม่ต้องมีสมาธิกับการเต้นเร้่อะไรตานานๆแบบนี้เราออกสมาธินี้มาดูความเปลี่ยนไปนะของกายของใจของสติมาคอยตั้งใจดูสองเรื่องนี้เนี่ย และสองเรื่องนี้เนี่ยที่เราไม่เคยรู้เลยตั้งแต่เกิดมามันจะมีข้อนี้คลี่ข่าออกมาอาจจะตัณหาเรื่นเดินเรียกมาตัณหาของกายกับตัณหาของใจมีสติเป็นหน้ศึกษามีการดีใจเป็นตัณหาแล้ว่าตัณหาตรงนี้อ่านไปอาไปโองการันเป็นแบบนี้ของโอ้ใจเป็นแบบนี้นี่เองทีานที่เราเคยยึดเคยถือมากคันนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราเราเคยยึดเคยถือหน้าหมาบ่า การนี้เป็นเที่ยงเนาะการนี้ป็นเที่ยงานี้มันเที่ยงความคิดนี้เป็นของเราไอเดียนี้เป็นของเราความจําราดีที่สุดตั้งแต่นานหัี้นะมันจะค่อยๆขาดไปทั้งหมดเรียนรู้นี้นั่นนั่นคือตงนี้หามาถ้าพวกเรามีได้เนาะได้พิจารจามากมีวงแหวกที Making ่จะจะโน้ตอ่านส่วนเนี่ยเป็นธรรมะจตมางมากเลยนะบอกว่าก็มีคำพูดที่บอกวาถ้า พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างกำเดินเนาะอย่างจัน์อัยามีองค์ปกอบกันอยู่เนี่ยหมอโลกนี้เนี่ยก็มว่าจากพรละานเนาะคือคำว่าพระละานกคือมายถึงว่าปุกกที่ไม่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นคืงตรงนี้สิ่งที่ลูกเจ้าพูดสิ่งที่ลูเจ้าบอกสิ่งทีู่เจ้าสอนเนี่ยไม่ใช่เกินกว่าความสามารถของคนเราที่จะทำ ตัวนี้เนี่ยสัตว์โลกทุกอย่างทาไปได้นะมูหมักกระไรทำไม่ได้นะเพราะว่านื่ากว่าตรงน้เขาไม่ได้มีคุณสมัเป็นสัตว์ประเสริฐในเรื่องเพราะนั่นคือตรงนี้นะว่าเมื่อเราเกิดมาเป็ดโฮเนาะเราเกิดมาเหือนกที่ผู้เจ้าเกิดมาเป็นคนเี่อผเจ้าเองก็ได้พัฒนาตัวเองเป็นเจริญไ้ถึงความทุกข์นมื่อสิ่งที่ผูเจ้าถามนี่ยมันทาไม่ได้ ปิดมังขอแยกนิสิทธิ์เกิดขึ้นเป็นความละอะไรต่างๆนะไม่มีนะคุณจะาก็บอกชัดเจนระบอกทุกอย่างบอกตั้งแต่ต sort of ้นจนจบมาเราจะไหมฮะจะมองจะไหมฮะมองที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องแบบไหนมีความคิดที่ถูกต้องแบบไหนจะเดินจะใช้ชีวิตทางการแบบไหนจะพัฒนาการจิตแบบไหนนั่นคือทิ่เาเนี่ยบอกเป็นระดับบอกเป็นอระดับนั่นคือตรงนี้นะก็ ก็เทั้งบอกไว้ปีนี้นะก็เป็นปีที่สองพันรยหนึ่งนะทีุ่ณเจ้าวนายก็เลยว่า ไ, ได้บอกส ร, รมารสู่โลกเนี่ยตรงนี้นะก็จะมีผู้คนเนี่ยที่ได้ความามารถเนี่ยถ่ายทอดมาตลอดเวลานอกทางทางเราก็จะมีเรียกว่าผมพ่เทียน <c oughs> ที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้เรียนอะไรมากเลยเนี่ยนะก็ปฏิบัติอ่ะก็ได้ ใช่ไงพอเขเขียนนะก็เป็นชาวบ้านนะไม่จบป .4 นะหลอเขียนนะหลวอเขียนก็ไปปฏิบัติหลวงพเียนก็ปฏิบัติไปก็ไม่แ่จนะก็มีความนลยสงสัยรนหรั่ะลวอเขียน่ถามหวก็เขียนบอกว่า MB ไหมที่หลว่าเขียนสอนแล้วผลไม่มีเขียนบอกไม่มีหรอกเชรับหรไม่มีรูกก็ละแต่ขอขอให้ทจิจริงเครับ ขอให้ทจริงขึ th ้นทารปฏิบัติสำคัญที่ว่าเราต้องทำนะครับว่าปฏิบัติไม้ออกที่ปากอย่าเดียวนะฮะนั่นคือส่วนนี้นะว่าคนเราจะมีปัญญาได้นะครับก็ไม่ได้ฝ่าทางแล้วถ้าผมถาเราทํานั้นเนี่ยไปปฏิบัติกันเพราะนั้นคือตื่พวกเราเป็นคนทุกคมีการมีใจมีสติสมบูรณ์ขันตรงนี้ก็มั่นใจว่าพวกเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะออกําให้นางออกวิชาเนี่ย ไปทำนะทำเพื่อให้กายเราแจกเราเนี่ยสามารถที่จะมีธรรมะอานนัแล้วก็มีธรรมะอันหน้าเนี่ยเราก็จะได้ทานในใจของเราเนี่ยเป็นใช้เป็นประโยชน์ประโยชน์นี้คือนะเป็นประโยชน์ที่ทาให้เราพุ us us ่งน้อยลงเมื่อเวลาที่คนอื่นมีทุกมาเราก็จะได้แก้ปัญบีบคันทำให้จุดน้อยลงก็ได้เนีความรู้เนี่ยเป็นความรู้ที่แข็งนกร่ได้ครับจะเป็นความรู้ที่ช่วยคนอื่นได้ตลอดเวลา คนทุกมีต้นแต่ยี่ก่อพิธีกรรมจะพิธีตื่นตอน น, นี้ก็อ ย, อยังดีไม่ขาด่นทีนคืตนอตัวเนี้ยขออ่างใจแตนะ่น้องอ่านัจปฏิบัติทางการแล้วก็ตัวเราช่ชงดีที่มีพเจรนอนะนอนจะนอก็แบบว่าจะไม่คอมีโอกาสมาสอบตัวเราเท่าไหร่เรื่องแบบพเจรนอนเรียกว่าดี กินที่ผมเยอะมากมากเลยเดี๋ยวก็ไปเือจีปีหนึ่งห้ากค้งนะเดือน่ไะงน้คือแบบนี้ิปจารย์ลดมาก็ให้จาลดเนี่ได้ยิการแนะนาพวกเราแล้วก็ขับใช้นาของจารย์นะนก็จะเป็นขับใช้คที่เรียกว่าพวกเราก็จะปฏิบัง่ายๆแล้วก็ชัดเจนรวมเขากใช้คาว่าไม่ผิดผิดทางนะแล้วทัองหีนี้ก็ออเป็นของตั้งใจ สิ่งที่ประจาเรได้ทำนะคือในตรงนี้สองสาระ่านใ้ตรงนี้พ ร, ร, ระเจา้าเอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยวเราไปได้ทำฐานปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ชัวงเวลาแต่นั่นคือใช้กับทุกฐานที่พวกเรามีกมารเคลื่อนไหวกั น, น ม, มีสติกับทุกงานเคลื่อนไหวจะทำได้อย่างไรถ้าทาได้เนี่ยโอโเโหแเลยว่าแสดว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตรเราังที่เห็นเรื่องนี้ว่าดีว่าการรอเ หรือว่าการที่ต้องำหนดวิคีำพุทโธหรือว่ายึงน้องพ้องน้อยอะไรต่างขึ้นอันนี้จะเป็นเทคนิคของของครูบาอาจารย์บางท่านแต่หลว่าเทียนท่านเดียดธรรมะจากครูบาอาจารย์คํามความยาวแล้วก็ใช้ใชกาำหดการเคื่อนไหว พิีแบบ่างๆแล้วก็เราหลายคนก็ขอตึกวิธีก็เห็นว่ามันริสุทธ์ใจกับคิดประจวบได้ง่ายขึ้นเพราะว่าโอกาสที่เราจะนั่ิงๆนั่งรักษาเนี่ยน้ีมากแต่โอกาสที่เราต้นไหวมันมีมากแล้วเขาเลยลองเขาทำดูเราองดูรูปแบบในการนั่ง จะมีการยกมือยกไม้หรือดูไม่คุณชินหรือว่าดูไม่สวยงานะแต่เป็นจที่รูปแบบภายนอกนะให้เราพยายามนะเรารูกับสิตที่เราทำตอนนี้จะเป็นจิตที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเราสามารถรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวรู้ตัวการหยุดนิ่งได้เราก็จะสามารถรู้ตัวในขณะที่เราทำงานได้ เราเป็นนักเรียนเขียนหนังสือนะเป็นพ่อแม่ทางานบ้านเราไปทำกับข้าวเาเดินในตลาดเรามีการเคลื่อนไหวเรามีการเคลื่อนมือเรามีการเคลื่อนเท้าเนี่ยเราเรีรู้สึบสวการทำตรงไหนได้เนะีหรือบางทีที่จิบของสืบตัวไม่ใช่รู้แค่ว่ากายทำอะไรนะครับแต่พอเราทำมา เราู่โซลาร์ใช้อินรเน็ตเราอยู่ในลตาบทีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นในดิตใจโปวดหลรักใครอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเราจเ็ดขานเห็นใจของเราเองถ้าเราฝันเห็นใจของเราใจใจหอกเราพนะีน่นคยถามเกี่ยาร ท, าทานี้ที่จริงแตกต่างมากใช่ไหม ท, ทอะไลไอ้แล้วลก็ก็ทำตามความันเราหลงใครก็าทำารควาหลงเราโกรธเกลียดใครเราทำาความ โ, โรกรธเกลกีซึ่งบางทีทำตามตใจบางอย่างมันก็ดีแต่หลายอย่างก็ไม่ดีกเกนียนน่ยว่ า, าโกรธทีก็ทำทาได้ก็ถือดนว่าจารหรือคพูดซรือม้แต่ะมากเกินไปเจอานคเป็นหลงบางทีก็ทาให อารมน์นสติหายก็มนนีใช่ไเลี้ยงรูปกจะคอยยันไปก็จะเลืกก่อนสติคนใช่ไหมตาไทลตามาสไเป็นหลงก็ตามวัวมองไม่เห็นความคิดอันนี้คืออันนี้คือเป็นใจที่มันคอยวงการคิดของเราครับคราวนี้เราจะลองฝึกให้เป็นเรียกว่ามีอินตรหนือใจเหนือความคิดก็คือการรู้ทัน ดูแล้วจะทำตามมันหรือไม่ทาม น, นรราสิทสัของเราเนะยฮะคือเรามีอะเรามีอท เ, เ, เ, เลือกได้แต่ก่อนเราเลือกไม่เค็นเข้าสัมมาแล้วทำทันทีเป็นทาาเนี่ยในสิทธแต่พอเรามีจติเห็นแล้วว่ารักลูกคือเราจะแสดงความรั ก, กต่อรูกแบบไหนถึงของ <c oughs> <c oughs> เ็นไใช่เห็นว่าเออกน้องทางาน ไม่ไม่ถูกทานาทีผ่าดูแล้วว่าพอทำไม่ถูกรูแล้วว่ามันสมควรที่ต้องแก้ไขแล้ก็มีสถิตย์ที่ยังแฝอยแต่พูดแบบไหนอธิบายแบบนี้จแสแ่ทีเดงไ่เกิดการเ่นแหืออะไเป็นกแต่แล้วรเราไม่อนายแล้วไปทำทันทีพูดทันทีเนี่ยจะทำทีเดยวรู้สึกว่าเร า, เราพูดก่อนคิดเราตั้ก่อนคิด <c oughs> ไม่จริงมันไม่ได้ลองผ่านควาเคิดก็อารมณ์ถ้าเกิกแอนจะทำใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเราเรู้ทันเรายั้งใจเราคิดหลอกทัวแล้วเราได้ทำอนนี้จะดีนะอันนี้คืออันนี้ครูคร่าวๆที่เราได้ฟังนะแต่เดี๋ยวถ้าอยากให้เราได้ลองกระทำด้วยก่อนถ้ามีอะไรตททรงข้ามหรืออะไรแบนี้ก็สามารถทำได้นะแต่เราก็ทำด้วยก่ยกนนนอกน กอความใจสบายๆนะอะวิธีการไหนที่เคยทวางไว้ก่อนเนาะให้มาลองเรียนรู้วิธีใหม่ดูนะเรานั่งนั่ง ส, สมาธินั่งหลตึงก็ได้นะหรืจะไปนักก่งเต่า้ก็ได้นะวิธีนี้นั่งด้านไหนก็ได้อยู่บ้านไปนั่งเหยียบเท้าทิ้งทิ้งผนางก็ได้นะออนั่งโซฟา ต, ก, าตก็ได้ ปิดแต่ว่าพอให้น่าร ะ, าารานะะดับตรงสักหน่ยน่าระับตรงสักหน่อยก็ลดความปวดในข้อต่างๆอาจจะเราเป็นฝ่ายที่ที่ปวเข่าของเราบ้างบางคนเด็กๆก็จจทาได้นะในครูอาจารย์ก็ไปสอนเด็กที่วัดก็มีหัวหนุ่มหัวผู้หญิงก็เป น, นันะปนวดก็มอนีนะเป็นหัวเป็นความเปนจริงดีแต่มีลูกที่ ที่มือจแล้วไปติต่อเจ็บไม่ได้ขนาดแั้นตั้งแเจ็ดขวกถึงสิบห้าสิบหกนะก็ทําได้นะอ่าลองลองตรงนีเราเอามือขวาบริษัทขามือขวามวาเขาค่อยไปถนัดของเรามือขวาเอ้คาหรือว่าแปรทำไมรู้ว่าแร ใจใจรู้นะใจรู e ้นะรกำดูดิกูแม่อะไรรู้ไม่ใช่ไม่ใช่คนธรราบอกนะระกำแล้วก็แบดไปเรอยๆก็ไม่ต้องหลับตาในเมื่อไม่ต้องไม่โอเคดก็ตั้งใจขนาดนั้นเหร ด mm ึงตาลุ้นได้เลยนั่นเหรอนั่ไม่ต้องตั้งใจมากขนาก็งแบบพยายามกับตาแล้วพิมพ์ลไปรู้ให้รู้สบายสบายใช่ไหมเหมือนปลาแดกแหวนอยู่ก็รู้ว่าแหนไม่ต้องแบบตั้งใจอะมากเลยมันมรู้อยู่แล้วนั่นเรากราเราก็แหนเราลุ้สบายสบายอย่างเดก็เทียนแค่นี้เดียก็เทียนอ ไม่ให้เราหลตาดนะึงตาขับดึงตาับหรือแม่ต้อรักษาตอนลูกไม่เป็นไรในระาวตึกราวกอดเดีวลูกก็ค่อยๆตื่นัึ้นอาแล้วก็แม่แล้วก็รูตนะ้ตัวไ น, นะนี่คือติดแล้วกาตลอรู้สึกตัว ตื่ตัวเราองนะรู้ว่าตัวเองกำทำอะไรนี่คือเรว่ารู้สตัวว่าาัดที่นี่มือไปกันหน้าบงทีทางสัมผสจะตอรู้สึกตัวต่การการกลัมการแบกสังเกตนยไม่ต้องใช้ตาดูไม่ต้องตั้งใจมาตื่นรู้สบาย อันนี้แต่อันนี้บางทีอัเกกตเราใช้เพื่อนั่งบนรบลบติดไม่มีอะไรทําคิดนั่งคิดนี่ปล่อยใจตามควคิดหรือว่าว่าเราก็จะมือไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อันนี้เพื่อให้จิตมันไม่มันมีมีนาทำจิตมันมีเครื่องอยู่แม่คิดเติร์ดเติร์ไป แล้วก็ให้จิตมันคอยรู้กระการเคลื่อนไหวอันนี้คือเรื่องนแต่จีตอีกจีคิดไปไม่เป็นไนะก็ทำมาดึงเขากลับมานี่แข่งกติเตี้ยให้ให้มีมิติกรบการเคลื่อนไหวกับการการยกมือในข้างนั่งเราให้ทำสบายๆอย่างเมื่อสักคู่นะไม่ต้องส่งจิตมาอยู่ที่มือให้จิตสบายๆแล้วก็รู้รู้การเคลื่อนไหวตรงตัว มายอมสเก็ดละไรมาไม่จ้องแต่หน้านะไม่คุ้มจองต่เน้เห็นเนื้อดมดวนะเห็นเนวอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะรูตัวเองแบบนั้นเหมือนกันนะต้องดมเราปิดมือขวาแต่แทงปิดมือขวาแต่แทงนะให้รู้สึกตัวนะยกมือขวาขึ้นก็รู้สึกมือาวาไปที่ท้องก็รู้สึกมือซ้ายรู้สึกตัว อีกปีครั้งหนเลยนะรู้ยกขึ้นมาก็รู้กว้างมืขารู้มอขาเลืขึ้นก็รู้สึกยกออกข้างรู้สึกตัวถ้เราบวชเข่ารู้สึกตั้ก่อนนะแล้วก็ค่ำรู้มือ้ายเล่งขึ้นรู้แยกออข้างลำรู้คว่ำล รู้รู้คือรู้ตัวเองท่าทำแต่ไม่ต้องไปพูดคำรู้ในใจหรือไม่ต้องพูดว่าพิมมือยกมือไม่ต้องไปพูดแค่รู้คือเรารู้ก่อนคำพูดที่มาถึงแค่รู้มีสิ่อดกี่ดอะไรม่ต้องพูดออกไปไม่ต้องากันไม่ต้องคิดภาพในใจเราหมายถึงว่สบายนะ อี่ยิ้ๆทำก็จะได้ไม่ต้องเทียดนาปฏิวัติตามนี้ในการยิ้มเครียดนะเอาัำเพื่อจิตให้มันหายจากความเครียดบางคนปริบัติทาต้องทุกต้องพนรไม่ใช่ปฏิบัติตามต้องหายพุกขะจิตขวาเรื่องตัวยกขึ้นเรือตัวปัทีิทองสึกกิตใต้รู้ ยกขึ icana, na, often, 是是้นมาก็ร so ู her, ้ความฝันหวานมือขวาเรื่องขึ้นรู้สึกยกข้างๆรู้สึกความหเขารู้สึกความรู้รู้สึกมือายเื่อรู้สึกยกออกมาห้ารู้สึกท่ามหารู้สึกความรู้ปิดมือรู้นะยกรู้ความพินา์ของพิสตาย ยกขึ้นมาความรับนขวานะมอขวาเริ่มขึ้นรู้สึกขออนากลังของเข้าความโลงมือ้าเริ่มขึ้นน่ะออนุาตกำลงขาความโล่ยอลองทำ่ไปเลยเนาะให้มีการเคื่ออยู่ที่นึงก็เลื่อนใหม่เป็นจังหวะ รู้ทีละขนาดนะ14จะงหวัดรู้ทีละขนาดนะอย่างที่เอาตัวรู้กับยาวรู้เป็นครั้งเหมือนเมื่อกี้แบงมือมือแรู้เป็นครั้งอันนี้ก็แบบรู้เป็นครั้งให้ใจรู้ตัวกับการกระทาแต่ให้รู้สบายตา อย่ไปรู้แตบตั้งใจเดินไปไม่สนใจมาอยู่ที่มือให้ใจมีหลักฐาแล้วก็คอยดูนะประสาศของพ่ อ, อเก๋เียก ว, ว่าเป็นผู้ ด, ดูให้ใจมีกติคอยดูขายเชิงไหว จำได้จะทำตามเป็นว่าเราต้องมีความการแำเนินกได้ก็คือแต่ให้มีการเฉลีเควื่อแล้วก็าดื่มิดหนึ่งแล้วก็าเคลื่อนมานแม่ใหก็ถือไปมองตามองสบายสบายมองหอกตั้งหน้าสบายสบาย มีใหม่ก็แค่เราหล่อหนักแข็งกว่าก็เคื่อนอยู่แบบไหนที่เรารู้ตัวพอดีเคื่อนเร็วขนาดไหนเคล่นช้าขนาดไหนแรงหรือค่อยเท่าไหร่พอดีของเราเราก็หล่อฝึกตัวนี้ให้หนัแข็งกว่าที่นพอดีคล้ายเริ่ต้นเราขี่จักรยานฝึกการทรงตัว แบบไหนมเกรงไปแบบไหนมันก่อนไปมันลน้มได้นะอันนี้ก็เหมือนแบบรัเบุดเคลื่อนขนาดไหนก็ดีเอาเองแต่กระโดดต่ไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกไม่เป็นช้าเนี่ยแต่คนไม่เหมือนกันเราหาเปนวัดที่ก็ดีเรก่อ น, นให้มัมนรูน้ตัวให้ระดับได วิธีที่ตรวจสอบมันพอดีก็คือค ว, ว่าทำแล้วมันกสบายทำแล้วมันไม่ปวดหัก ท, ทำแล้ว่ามารถทนต่อไปได้รู้สึกมันมีขอส่วนขณะที่ทำอาจจะไม่ตลอดเวลาไม่เป็นแต่ในทางมันรู้สึกว่าออมันมันพอดี ในเราเดินนะบางคนคือเรามีจระบาดเดินเนี่ยพอดีแต่พอไปเดินกับบางคนทีมันเดินเร็วกว่าแล้วเราดินตากเขาไม่เหนื่อยบางคนเดินช้าเราเดินแทนก็เหนื่อยแล้วกเรามีจระบาดพอดีก็ได้เอย ใหญ่ไม่ได้เป็นห้างความคิดเขาคิดคิดเขาไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราไม่ตามเข้าไปรู้ว่ามันเป็นคิดแล้วก็ให้เรากลับมาเป็นตัวติรู้ว่าจะมาทำอะไรอยู่แค่นี้พอ เราเปลี่ยนเป็นทำมือขอาวขอาก่อนหรือเริ่มต้นด้วยมือขอาวาเราเริ่มต้นด้วยมือขอาวาทำาเหมือนเหมือนเดิมาแหละแต่เพียงแตเปี่ยนเริ่มจากมือขอาวา คือคือจุดเด่นของการะคือธรรมฐานทุกแหวนนั่นแหละคือเรามีอะไรทําก็รับมาได้มันจะคล้ายคล้ายมีหลักให้กลับมานะคล้ายคล้ายที่จีนสติก็เหมือนกับเชือกที่เราผูกก็เวลาเราผูกสุนารุ่งแหวนเขาไปเดินเขาไปไปเจอจักรตุกเขากลับมาสติรู้เหมือนกับเชือกที่ค่อยค่อยกระตุกจิตที่มันเพิดับความคิดให้กลับมาคือขตัวเราอันนี้ยนะ คื่เราไม่ได้หน้าว็เขาต้องไม่คิดนะคิดได้ไม่เป็นไรแค่ับมาแต่ถ้าเราไม่มีหลักใช่ไหมคิดไปแล้วต้องเหมือนกับเหมือนกับว่าวที่ที่เชื่อขาดมารอยไปอนะไรไปตกที่ไหนรูนนน้คิดไปแล้วว่าเรื่องหนึ่งจบก็ไปเรื่องสองเรื่องสามตรงแต่ต่อไปเรือใช่ไหมอันนี้คือะติจะทำให้เรามีหลักต่อมามันจะเปลี่ไปเร่เปลือกเรอมาได้ ราวะไปไกนาดไหนเชื่อมันอยู่เราโน้มกับสาวองมาได้อันนี้คือรเกในนั้นคือเราไม่ได้เห็นแค่กาที่เคลื่อนเราเห็นรูปภาพใจที่หนึ่คิดด้วยเห็ไหมอันนี้คือเราติดตรงนี้คือความชำนาญแต่สังเกตนะมที่จริงเนื้อเราเคลื่อนทั้งวันนะถั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แต่บทีกวิ่งเนื้อเราเคลื่อนเนี่ย เราคอยติดรู้คือการเคลื่อนไหวของกายนะมีมั้ยมีบ้าง น, นะแต่คงไม่มากน้อยเนาะเราตรวจบ้าทมเราก็โเิน <c oughs> ในโลกเกิดเินเราก็ขวบใจคิดไปเรัทอาหารเราเมื่อกี้ทกขัวดไไม่อร่อยอนะไรเนี้ยคือใจเราไม่อยู่กับสิ่งที่ราทำ แต่เราอยู่กับความต้องรูอยู่กความคิดอันนี้เราตีกันกลับมาทำในท่าทางดีๆที่เราทใช่ไหมความน่ารู้ความกว่ายกมือในตื้นแขนตืดตอนนี้เดินเสมอกม่เดี่ยวจะพาเดินเดินแล้วก็ตื่นเดินให้อยู่กับปฏิภาณอยู่กับสิ่งี้เรานระทับแต่ถ้าจะก่อดการเดินใจใจเราเป็นถืงแล้วที่ทำงานวันนี้บางที แต่เดินไปทุกคนยังไม่เข้าหานะของทุกคนนะนะหรือบางทีเดินไปต้องมอกทุกุกจะเปมองเีนหรือเปล่าทุกเป็นไงก็ทุกตืนใจไม่อยู่สิที่เราทำนะหรงทีเราเินอยู่ในห้างไม่ใค่รู้ตัวนว่าลเลยเด็ดเพราะาดูสิค้าดูเสื้อผ้าดูกระป๋แล้วก็ดูแลมีความอยากอยากนะตัวเดินระปูตะปเต็มไป แต่ถ้าเรามีสติรู้ทางรู้ว่าเลรู้ว่ารูรู้ว่าอย่าครั้นี้มันก็มาลองที่ว่าไอพิมพ์ยาเนะ่ยมันจำเป็นไหมนะซื้อเพราะว่ามันกล่าแล้วหรือว่าซื้อเพราะว่ามันเป็นของใหม่ที่เราอยากจะได้ก็ก็ดูนะถ้าพร้อมสนกันนะอันนี้คือเราจะาตื่ื่นรู้ทางตันี้เด่๋เวจ เกาเดินเดินกบตัวนี er ้นะนะรใช้เอาเอากระเป่าไว้รองบอกไรนะ่ยกเปานังสือไว้รอบอเดินแมวแมวขากเนี่ยเน่ยเนี่ตัวขึ้นนะแล้วก็ให้ให้อยู่ตรงหน้าหน้าบ่อของเราก็ได้นะ นั่งบอกน่ะเดินแา่งนี้ข้มาฝั่นี้นะนั่นคิดคิดไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วอัเก่งมันสืบไปต้องบอกแล้วว่าอยู่ในฝั่งนี้ทีนะอยู่ระหว่างบอก ถ้าเราถ้าเราไม่คนนี้มากเราก็จะได้เยอะเนาะแต่มีมนตรประการตุ้เดินนิหนึ่งเนาะคือว่าที่เราจะไปเห็นคนเดินจงโกต้องเดใช้ช้าหรือย่อมๆ่อมนก็เป็นที่อือนเนะแต่ถ้าที่นี่เราจะฝึกเดินธรรมดาแต่เพียงแต่ว่ามีทางกลับตัวมีการเก็บมือนิดหนึ่งเดินก็รู้สึก เท้าเพื่อนเท้าสัมผัสลงเขารู้สึกนะเ่ยรู้สึกว่าตำลเดินแต่นี้ไม่ไดแบบติดสมองใจอยู่แต่เท้านะต่างกันนะให้รู้รู้การเพื่อนหมดถ้าเรารู้กายเพื่อนหมดเท้าเพื่อนก็รู้สึกเท้าสัมผัสรู้สึกต่างกายโคงเองค็รู้สึกรมกับพสัมผัสก็รู้สึกนะ อันโยลองลองเดินอยู่ที่ลองเินย่อมท้าอยู่ที่เไปยกสูงยกขัำก็ได้แต่ให้สบายไม่ช้าไม่เร็วเินไปรู้สึกอด้ไหมอยู่แต่เดี๋ยวไปจ้องเกินไปนะเด่ให้รู้ตัวสบายๆทั้งหมด แต่ตอนที่เท้าสัมผัสลงเนี่ยจะเองที่ตรงนั้นแต่อย่าปิดช่องไว้แค่ตรงฝ่าเท้านอนเราเราเดินอยู่กับที่เนี่ยก็เป็นการเดินนัำโกนนะแล้วก็สัมผัสลงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกคายก็คงก็รู้สึก คือถ้าเรารูいい้สึกสบายๆนะความรู้สึกตัวมันงอยม่แต่หลายอย่างแต่หละยกิริยาแต่เราไม่ก็เป็ปพูดถ้าเราไพูดในใจมันเป็นแบบถ้าเราองควากลับความค้ากัมันจะเนแบบแค่รู้แล้วก็วางแล้วก็ลู้ใหม่นะรู้สึกไหมนะจริงเราเดินวันนี้ หลายกิโลนะนะถ้าเราเดินทีละข้าวลูกทีละข้าวเนี่เราจะมีอกสุศตัวเยอะมากเมื่อกิโลหนึ่งเนี่ยเดินประมาณ2อ0พั้าวก้าวประมาณห้าห้าติเมเซนติเมตรเลยนะนะสองพันข้าวนี่ยก็จะมีอกสุศตัวอย่เงื่อตอแสนครั้งวันะเดิหนหนึ่งสองเท่าไร่ แต่ให้เดินสบา ย, บายนะถ้าเราเดินไม่สบายแล้มันจะเครียดนะอ่านหลือตอนนี้เนาะแต่เดินใาทางที่ไปกันตุ้มท่านท่านเดินแล้วก็กลับตัวพอกลับตัวแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็เดินขับมาทำนี้ใหม่อืรู้ตัวแบบที่เดินถ้าแถว เ, เรามีเพื่อน น, นะที่เดินเร็วที่สุดแล้วก็ เดินไปห้ไอ้เพื่อนเราตับตัวก็แล้วก็เดินต่อดนะเพื่อนยังมาไม่ถึงเราก็เดินอยู่กับที่รอนะไอ้เรกตับตัวแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเขายังไม่ตับตัวแล้วก็เดินอยู่กับที่ยังท้ารอพอกขามาแลเราก็เดินต่อคือเรีว่าเดินตลอดเวลาเลยนะ วางทีก็เดินอยู่อที่มาเดินางทีก็เดินใจ้างหน้าใจอยู่ที่ไหนใจก็คือมีสติรู้ว่ากายกำเนินะหลับึกฝึกสองององ่านคือกาเนี่ยเป็น เป็นกิิยาที่ทำหน้าที่ของเขาไปเสร็จตัวรู้เสื็สใจที่คอยรู้นะกายทำอะไรใจคอยรับรู้กายจะทำอะไรได้แต่แต่เทสคอรับรู้สมมติทนทสตสมาไม่เดินด้วยแต่มาน้่งอยู่เฉยจะรู้ว่า โยมเดินที่จริงใจก็เหมือนกับเหมืนมืนกับอาตมาที่นั่งดูโยมเดินนะคือมันแค่สังเกตแต่ในเวลานี้เราไม่ไปสังเกตคนอื่นดูอื่นเดินครับแค่สังเกตดูกายของตัวเราเองขณะเดินให้แยกตรงนี้ก่อนนะแยกกายแยกใจนะประสาอ น, นิพัสแยกรูปแยกนาม รูปหรือว่ากายเคลื่อนไหวนามหรือว่าจิตใจเนี่ยเป็นคนคอยรับรู้นนี่เป็นวิปัสสนาญาติขันแรกนะคือแยกรูปแยกนามแยกแบบนี้แหละายเคลื่อนใจรู้ายเพื่อนใจรู้ ใ, รใ จ, ใ จ, จคิดไปไม่เป็นไรกลับมารู้ตัวว่ากายเําลจะทําอะไรใหม่ แค่รู้ว the like so the ่าแต่งคิดไปก็ถูกครับถูกแล้วเไม่ต้องไปตัวแต่งตรงไหนมันคิดเลยไม่ต้องไปห้ามหันไปวระต่ายเนาะมององขนาดไหนก็ดีหายใจว่างเนาะองมาไปปวดคอเมื่อยตาไม่หลับเก็บ อาจจะไม่รู้ทุกครั้งไม่เป็นไรนะมันดึงรู้เมื่อก้าวที่แล้วไม่เป็นไรรู้ข้าวใหม่เลยนะที่เราสามารถรู้สึกตัวได้ใหม่ทุกขนาดนะไอที่มันลึงไปแล้วอ่านแล้วปล่อยเลยรู้ใหม่